อยากจะเป็นจะมุ่งไปเป็นอะไรดีๆสักอย่างข่าวหน้ากลุ่ ง, <ค>งโดยดังตรินตอนดาราเป็นตัวอย่างไม่ดีอยากจะเป็นคนสำคัญคงสักวันจะก้าวไกลไปเป็นดาวดวงใหญ่จะโดงจะดังแม้จะล้ม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 แม้จะลม้มก็คิดจะคลาเนเมื่อจะซ่านประเซ็นก็คิดแล้วคุ้มจะขอไปเป็นยังวังจะร้อนหรือหนาวก็พร้อมจะทนจะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ก็คล้นกันไปก็หายกันไปหนทาง ก็อยากจะดังมันจึงต้องไปในเมื่อใจมันเอาสะยายอ้อนทำทุกทางแต่เกี่ยวกะกายห <h ums> ึแต่เกี่ยวตะกายร้องรักจึงยอนทุกอย่ รอคิดว่ายังเข้าใจข่าวหน้ากลุ่งโดยดังตรินตอนลวงค่าเอาเงินประกันยงอหนุ่มใหญ่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลเกิดติดพันุผู้ช่วยนางพยาบาลจนตกลงแต่งงานกัน ทัางที่ฝ่ายหญิงก็มีครอบครัวอยู่แล้วและก็แสนรักขนาดจะช่วยให้ได้ไปทำงานต่างประเทศแถมให้เป็นผู้รับผลประโยชน์จากการประกันชีวิตของตอนหลายฉบับรวมมูลค่าถึงหล้านบาทอีกด้วยแต่ยังอุตส่าห์โดนทรยศฝ่ายหญิงรวมหัวกับพวกลวงข้าโหดหวังเงินประกันได้ลงคอช่างใจไม้ใจร ก, กรรมอย่างหน้าแปลกผิดมนุษยนาซีจริงๆดนเธอทเจ็บฉันจนตายจุ อนา ก, กาวใจในนามของความโลภไม่มีเรื่องใดน่าแปลกใจเลยโดยเฉพาะความโลภที่แรงเหมือนน้ำเชี่ยวต่อให้อยากปืนไหว้ทวนกระแสก็ไม่อาจสำเร็จได้โดยง่ายดังที่เคยมีมาแล้วแม่คาลูกในไส่เพียงเพื่อแย่งราชสมบัติยังไม่นับที่ลูกฟ้องร้องแม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นคดีความในเรื่องเงินเงินทองทองกันให้เกลื่อน ความสัมพันธ์ฉันแม่ลูกอันหมายถึงการถ่ายเลือดถ่ายเนื้อให้เป็นบุญคุณสูงส่งเหนือความสัมพันธ์อื่นใดทั้งหมดแล้วยังเป็นไปได้ขนาดนั้นแล้วสัมหาอะไรกับความสัมพันธ์บาดกายบาดใจในเชิงชู้สาวต่อให้ล้ำเลิศหน้าเชื่อชูเพียงใดก็อย่าหวังเอาชนะความโลภอันเป็นสันดานดิบของคนเราได้เมื่อใดความโลภพุ่งแรงเมื่อนั้นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีก็อ่อนกําลัง กรณีในข่าวเนี้แน่นอนว่าฝ่ายหญิงต้องมีดีและพูดดีทำดีกับฝ่ายชายไว้ไม่น้อยเป็นผู้ช่วยพยาบาลน่าจะเอาใจเก่งถนัดในการช่วยดูแลให้รู้สึกอบอุ่นฝ่ายชายจึงช่วยเหลือเกื้อกูลทุกอย่างอยากไปทำงานเมืองนอกก็ช่วยให้ได้ไปอยากได้ความมั่นคงในชีวิตก็ทำประกันมอบผลประโยชน์ให้และยิ่งไปกว่านั้นฝ่ายชายคงจะยังรักและไว้ใจเต็มที่ ชวนไปไหนไปกันไม่ระแวงไม่สังหอนแม้แต่น้อยว่าความไว้ใจจะมีความตายทรมานเป็นรางวัลเงินประกันกลายเป็นดาบสองคมมีเพื่อให้อุ่นใจหรือหนาวสันหลังก็ได้ผลประโยชน์หลายหลายล้านเปรียบเหมือนยาชาก้อนใหญ่ที่สามารถกดทับมโนธรรมของคนคนหนึ่งให้พังราบ ไม่ว่าคนคนนั้นจะเคยดีเคยอ่อนหวานมาเพียงใดสมัยนี้เงินคือศาสดาใหญ่ผู้เป็นเจ้าเหนือหัวคนทั่วโลกขอให้บัญชามาเถอะบรรดาสาวกพร้อมจะเสียงคุกเสียงตารางอย่างไรก็ได้ทั้งนั้นฉะนั้นถ้าคุณถูกใครขอให้ทําประกันชีวิตโดยมีเขาเองเป็นผู้รับประโยชน์ก็อย่าไปไว้ใจคนคนนั้นมากถึงจะน่ารักน่าพิศวาสปานไหนต้องเร่งระวัง เหมือนรู้ตัวว่ามีอสารพิษจอหลังทีเดียวหรือถ้าคุณสมัครใจทำประกันไว้เองก็ควรระวังอย่าให้ผู้รับประโยชน์เขาทราบรายละเอียดจงแจ้งนักแทนที่จะสร้างความประทับใจอาจกลายเป็นกดดันให้เขาโลภขนาดลืมความเป็นคนเอาง่ายๆก็ได้บท ค, ค, ความจาก นิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่37อ่านหนังสือและดาวน์โหลดเสียงอ่านฟรีได้ที่ d ั n g t r i m c o m d-u-n-g-t-r-i-n.com เสียงอ่านโดยโจโฉหรืออนุสรีโซภาโดนเธอทำเจ็บฉันจนตายจุด อ่อนจา ก, การทิ่ไว้ใจคือโดนทําลายเจบเสียคนจุดอ่อนจา ก, การเชื่อถือคนแบ่งคนมีผลกือต้องผิดหวังจุดจบก็คือต้องเสียใจ รุนแรงแลร้ายกว่าทุกครั้งจุดจบมีรออยู่แล้วปลายทางคงรู้ว่าเป็นยังไงเพราะรักจึงยอมไว้ใจ